พลาดเทศครั้งสุดท้ายท่านกล่าวถึงตอนท่านอาจารย์มั่นเทศแบบฟ้าดินะลม่มคือเอาอย่างเต็มเหนี่ยวถึงสามชั่วโมงที่วัดเจดีหลวงเทศครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เชียงใหม่ซึ่งท่านมีโอกาสได้ร่วมฟังด้วยแต่ในคราวที่หนองผือ ท่านกลับพลาดโอกาสฟังเทศครั้งนี้ของท่านอาจารย์มั่นซึ่งเทศชนิดฟ้าดินถล่มเช่นกันถึงสี่ชั่วโมงเต็มที่สำคัญก็คือเป็นเทศครั้งสุดท้ายจะเป็นด้วยสาเหตุใดท่านเคยเล่าให้พระเนนฟังดังนี้พูดง่ายๆว่าเป็นครั้งสุดท้ายเทศที่น้องผือเหมือนกัน เราก็พูดกับท่านอย่างชัดเจนก่อนที่จะลาท่านไปเที่ยวมาทางวาริชภูมิอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครจากอำเภอวาริชภูมิไปหาหนองผือทางตั้งพันกว่าเส้นท่านก็ถามว่าจะไปทางไหนว่าจะไปทางถ้ำพระทางโน้นทางบ้านตาดภูวง ก่อนจะไปท่านก็ให้ปัญหาถึงสี่ข้อผมไม่ลืมนะเพราะตามธรรมดาผมขึ้นไปหาท่านไม่ค่อยครองผ้าแหละเพราะไม่มีผู้มีคนมีแต่พระแต่เนนในวัดไม่มีใครไปยุ่งกวนสงบสงัดตอนเช้าจะไปหาท่านฉันจังหันเสร็จแล้วก็ขึ้นไปมีแต่ผ้าอังสะ เพราะท่านก็ไม่ได้ถืออะไรนี่มีแต่พวกกันเองวันนั้นผมครองผ้าไปพอขึ้นไปจะไปไหนนี่ท่านว่าอย่างนั้นนะเราก็เฉยไม่รู้จะว่าไงขึ้นไปกราบแล้วท่านก็คุยไปไม่ได้ปรารภถึงว่าเราจะไปไหนมาไหนเลยสักครู่ท่านก็ปรารภมาถ้าอยู่ก็ได้กำลัง ไปก็ได้กำลังอยู่ก็ดีถ้าอยู่ไม่ได้กำลังไปได้กำลังไปก็ดีท่านพูดของท่านไปเรื่อยๆก่อนจนนานพอสมควรแล้วก็เปิดโอกาสให้อย่างนี้ละ่ะเราก็กราบเรียนถามถึงเรื่องการเรื่องงานภายในวัดถ้าไม่มีอะไรที่จะจับจะทำ กระผมก็จะได้ช่วยหมู่เพื่อนทมให้เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างหากว่าไม่มีอะไรก็อยากจะกราบนมัสการปรึกษาพ่อแม่ครูอาจารย์ไปภาวนาสักชั่วระยะหนึ่งท่านถามจะไปทางไหนละ่ะคราวนี้คิดว่าจะไปไกลสักหน่อยคือตามธรรมดาผมไม่ค่อยไปไกลไปประมาณสัก 20 3สาสิกิโลเท่านั้นละสี่สิบห้ากิโลคราวนี้จะไปไกลหน่อยไปทางอำเภอวาริจภูมิเออดีทางโน้นก็ดีท่านว่าสงบสงัดดีมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นแหละท่านว่าแล้วไปกี่องค์ละ่ะผมคิดว่าจะไปองค์เดียวเออดีละ่ะไปองค์เดียว ท่านก็ชี้ไปใครอย่าไปยุ่งท่านนะท่านมหาจะไปองค์เดียวทีนี้เวลาจะไปก็จําได้ว่าเดือนสามขึ้นสามค่ำผมไม่ลืมนะก่อนจะไปก็กับผมไปคราวนี้คงจะไม่ได้กลับมาร่วมทำมาคบูชาคราวนี้เราก็ว่าอย่างนั้นไปก้าวันสิบวันกลับมาทางมันไกลนี่ เดินด้วยเท้าทั้งนั้นแหละเออบูชาคนเดียวนะมาคะบูชาคนเดียวจริงๆนี่ท่านว่าอย่างนั้นแล้วชี้เข้าตรงนี้นะพุทธบูชาธรรมบะบูชาสังฆบูชาเป็นมาคะบูชาทั้งนั้นแหละเอาตรงนี้นะจากนั้นก็ไปทีนี้พอถึงวันมาคะบูชา สายสายหน่อยประมาณสักสิบเอ็ดโมงท่านถามพระท่านมหาไม่มารึเห็นท่านมหาใหม่พระว่าไม่เห็นครับกระผมไปไหนกันนาพอบ่ายสองโมงสามโมงเอาอีกถามอีกตกเย็นเข้ามาอีกถามอีกเอ๊ะมันยังไงท่านมหาไปยังไงนาเหมือนกับว่า ท่านมีความหมายของท่านอยู่ในนั้นเหมือนกับว่าท่านจะเทศให้เต็มที่เพราะท่านจะป่วยก่อนนั้นท่านไม่ได้ป่วยนี่นะแต่ท่านทราบของท่านไว้แล้วเรื่องเหล่านี้ตอนที่เราจะลาท่านไปท่านก็ดีๆอยู่นี่พอถึงเวลาท่านลงมาสาลาหันหน้าปุ๊บมาฮึท่านมหาไม่ได้มาร ไม่เห็นครับใครก็ว่าอย่างนั้นเอ๊ะมันยังไงนาท่านมหานี่ยังไงนาว่าอย่างนี้แปลกๆอยู่ทั้งๆที่ก็ได้ตกลงเรียบร้อยแล้วท่านมีอะไรของท่านอยู่แล้วท่านก็เทศตั้งแต่นั้นจนกระทั่งถึงหกทุ่มฟาดวันมาคบบูชานี้โอ้ยเอาอยัางหนักเที่ยวนะ สี่ชั่วโมงตั้งแต่สองทุ่มถึงหกทุ่มเป่งเทศจบลงแล้วโอ้ยเสียดายท่านมหาไม่ได้มาฟังเทศด้วยนะว่าอีกนะซ้ำอีกก็เหมือนอย่างว่าเทศครั้งสุดท้ายจากนั้นมาท่านไม่ได้เทศอีกเลยนะ พอเดือนสี่แรมค่ำหนึ่ง 1, ผมก็มาถึงผมไปเดือนสามขึ้นสามค่ำพอเดือนสี่ขึ้นสามค่ำก็เป็นหนึ่งเดือนพอดีเดือนสี่แรมหนึ่งค่ำผมกลับมาผมจำได้แต่ข้างขึ้นข้างแรมจำวันที่ไม่ได้เหตุที่จะจำได้ก็เพราะว่าพอผมขึ้นไปกราบท่านตอนบ่าย พ อ, อท่านออกจากที่แล้วผมก็ขึ้นไปกราบมันยังไงกันท่านมหานี่ท่านว่าอย่างนี้เทศเสด็จนฟ้าดินะลม่มก็ไม่มาฟังกันนี่เราถึงได้ย้อนพิจารณาอ๋อที่พระท่านเล่าให้ฟังอย่างนี้นั่นเองเป็นเพราะเหตุนี้เองเทศเสด็จนฟ้าดินะลม่มนี่ผมเริ่มป่วยแล้วนะ เริ่มป่วยมาตั้งแต่วานซืนนี้นั่นท่านว่า